มีในผู้แสดงในผู้ฟังเป็นหลักเรียกว่าธรรมชวนยัยคือฟังธรรมธรรมเทศนาไหมคือการแสดงธรรมนี่วัดของเราเราให้อยู่แบบไม่พูดไม่จ้ากัน งอฉันงกศึกษาทำในในเทศนาบัตรลางบาปให้ตัวเองอยู่เสมอตรวจตามองตัวเองเราไม่เพศตา่างจากกระหดแล้วอาการิริยาใดๆของเราควรทม อ, อาการขีิยานั่นๆเรียกว่าเทศนาบัต อะไรที่ไม่ดีที่ได้ทำองไปด้วยจักเข็ดหลาบเรอายตัวเองอะไรที่ทำมันดีทำลงไปด้วยจักอยใจศรัทธาเช่นเราได้มาปฏิบัติเจริญสตินี่นอกจากนั่นก็อีกหลายอย่าง เป็นธรรมบาทเรื่องขีพมาเส่ลำแข้งปฏิบัติธรรมทำความสาดดูแลเสนาสนะกระลบพระเถรละผู้ใหญ่รู้จักอ่อนห้อมทอมตนให้อ่อนเอาไว้เหมือนตุ่มน้ำที่อยู่ทางรางน้ำมันอ่อนย่อมเต็มด้วยน้ำ จิตใจของเรากายของเราที่มันอ่อนน้อมถ่อมตนนั่วก็เป็นขีญาอันหนึ่งที่เกิดเป็นวัดให้มีนิสัยให้รู้สิ่งใดควรแต่ถามด้านปุรู้อย่างไม่แย้งสิ่งใดทำสิ่งไม่ให้แย้งนี่คือ วัดของพวกเราอย่าเกลียดขค้าย่าเบื่อนา ย, ยาเห็นเจ็ปากเก่ดท้องเพื่อเพินในการมุคุณเบื่อหนายต่อคำ ส, สอนที่เกียดทำตามไม่เจริญเราก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ากันแรก ในวันเพนเดิน8หลังจากตัดสลูได้วันเพนเดิน6จจงมาแสดงทำในวันเพนเดิน8ณาทีป่าอิสิปตนะมลึกชายาวันไอแก่ปัญจวิคีฟังปัญจวิคีก็คือ โตัวธัญญาเป็นความหนุ่มจะหมยไปทำนายลักษณะของสิทธะเมื่อประสูติใหม่โตตธัญญานี่ทํานายว่าสิทธะนี้ออกบวชแน่นอนส่วนถามอีกหกเกศคนนั่น ถ้าออกอวดจะได้เป็นสัตราเอกในโลกถ้าเป็นคราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิตำแหนายสองลักษณะแต่คนทัญญานี่เป็นพรหมหนุ่มทําหน่งลักษณะเดียวต้องออกอวดได้เป็นาสตราเอกในโลกแน่นอนจึงพ่อดู ว่าจะเป็นไปตามทํานายไมมเชื่อมัน่นจนรอส6บหกรษาก็อภิเษกให้เป็นกษัตริย์เจ้าพ่อชายสร้างภาษาทสามนุดูมีอัคระมสีมาให้ผูกมัดเพื่อจะมาให้ออกปวด พระเจ้าโสนาก็มวงเห็นก็ยามให้อยู่ในอุตสาห์ทั้งสามฤดูให้ติดในโลกอนนัญญาก็ยังหลออยู่ยังจะมีอีกโอ้นี่ไม่เป็นไรรอไปจนถึงอายุวัยชนมยุของเจต t h ได้ยี่บเก้าพรรษา ก็ออกหัวจริงๆติดตามข่าวรออยู่ตั้งแต่วันทํานายจนถึงยี่บเก้าปีเชื่อมั่นอย่างเนี้กนทัญยาก็ออกหวดกว็ไปชวนพรามที่เป็นลูกพรามพรามที่ทํานายสมัยข่าวเดียวกันนั้นเสียชื่นหมด เ็เป็นพรามแก่โอนธัญญาเป็นพรามหนุ่มจึงยังไม่แก่เท่าไหร่แต่แก่กว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนั้นเป็นพรามหนุ่มแล้วไปทำนายสิท ธ, ธิธรรมอให้ไปชวนเอาลูกชายของพราม ที่เป็นาพารรมทำนายลักษณะในเขานั่นมารวมกันตามาเสด็จออกบวดตามพระศิริธะจนไปเป็นผู้ประิาฐ <c oughs> ์จนถึงหกปีหวังว่าจะได้ตัสรุ่เป็น菩ษาตาเอกในโลกจะได้มาโปรดตัวเองจนหกปี โดยอุปถากในการใช้ชีวิตในช่วงนั้นอดข้าวอดน้ำได้จับลุกจับนั่งโสมลงสง่ําในรืนฉลาก็ได้เอากันขึ้นเอากันลงไม่มีแรง <c oughs> ส่นัญญาก็อุปถ า, อ ย, อ, ปถาอยู่เช่นนั้นการจ้าชีก็อุปถัม์อยู่เช่นนั้นจนในที่สุดที่ทันถาได้ทดลองมาหมดแล้วจึงเหลือทางเดียวคือจิตใจเรื่องกายเรื่องใจไปด้วยกันแต่ก่อนทรมานกายอะไร ยังอันเดียวมันก็หวดแรงแล้วมันจะตายไปเสียเปล่าโดยไม่จินข้าวประมาจินข้าวซะเดินทางหลอนแดนออกมาจากตรงคชิลิมาถึงปุตตะยาเป็นอูข้าวอู่น้ำของนางสุจดา ทุ่มนาก็เลยมานั่งขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นนิโคดนางสุชาดามาบวงสวงเทพเจ้าเอาข้ามมาทุบญาตเห็นสิริจตนั่งอยู่เตี้โคดนึกว่าเทพเจ้าเลยเอาข้ามมาทุบญาตมาถวาย พอดีกับสิทรษะกำลังชิตคิดห่างแผนใหม่ต้องกินข้าวกินน้ำมีกำลังฉันจะทำอะไรได้หน่ว้ฉันข้าวนะ้งสุจดาวอยอมตำนานโค ท, ท, ทันจาปัญจวิชีเห็นถ้าไม่ดีเป็นผู้มากมาจินข้าวแล้ว พวกไม่มีโอกาสบรรลุธรรมได้เลยชวนกันหนีจากทิ้งไว้คนเดียวแต่ลำพังสิท ธ, ธัตถะยิถาก็ฉันเข้านั่สุจิาแล้วก็ที่นั่นก็เป็นที่อาจจะเป็ น, ปนผู้เป่นพานคู่คู่คน ก็เป็นทุ่งนามีต้นไม้นี่โคดอยู่ริมฝั่งในรันชะลาได้มองไปทางด้านทิศตะวันตก<ม>เห็นเนินดงเนินป่าข้ามแม่น้ำไปไปได้พุทธยาเนี่ยมีต้นโพอยู่างก็เลยขณะที่เดินข้ามแม่น้ำไปก็มีโสเทียาพาม ไลยเอาไปเกี่ยวหญ้าคาเดินทางผ่านมาเลยเอาย้าคาให้ห้ากำมือไม่รู้จะให้อะไรเห็นนักปวดเห็นสัมรนาสือธาก็ถือหญ้าคาไปได้ปูนั่งได้ต้นสีมะพร้าวนั่นส่วนวันจับวิคีหนีจากไปแล้วโน้น ไปป่าอิสิปตนาเมลึกชายวันโน้นปาลานาสีจากพุทธคยาไปประมาณสาม4 0อยสี่รอยกมก็บายอิสิปตนาเป็นที่ปุดป่วยของสัตว์ทั้งหลายหรือสีชีภัยจะมักไปรวมกันอยู่ที่นั่นเราะันตั้งศร า, าสิ่ง ไม่ไกลนักจากความลนานสีพ่จะหาข้าวกินได้เท้าเจ้าก็ศิทธถาก็เดินไปได้ปาเพญเนี่ยอย่างที่เราได้ทำกันอยู่นี่กู้แขนเข้าเยืแขนออกมีสติเนี่ยจนได้ตัดสู้ในคืนวันเป็นเดินหกนั่นคืนเดียวเท่านั้นจากการศึกษาวิธีอื่นมาเป็นเวลาหกปี อ๋อได้ต่จรูแล้วก็สวยมุติสุขอยู่สีอาทิตย์รอบๆสีมหาพโพนั่นตอนนั้นก็มีเด็กชายสวัสด์เป็นเด็กเลี้ยงควายลูกกำพ้ากับน้องสาวมาเลี้ยงขวา ย, ยู่แถวนั่นมาเล่นเป็นเพื่อนบ้างระหว่างสีอาทิตย์น่ะ อันทีอาจจะลีดต้องคุยน้อ ง, งวัวน้องควายมาให้บ้างแต่ดูสวัสดเนี่ยเหมือนรุ่นลาวเขาเดียกับลาหนุนว่าพรธเจ้าก็รักเหมือนลูกหมืนเต้าคุยกันเล่นกันอยู่พอได้เสียอาทิตย์แล้วพระเจ้าก็ว่าจะลองสอนเรื่องนี้ลองดูจะสอนใครที่ไหนว่า เลยมองคิดเห็นเป็นเจา้าพีเท่านั้นที่พอจะฟังเรื่องนี้ได้ก็เลยออกจากสีมหาโพธิคุธกยาโม่ ง, งหน้าไปสู่บาลนาสีปะอสิปตะเนื้อลึกขายวันนังที่ประวัติผู้ที่ไม่เคยได้ยินก็ให้ได้ยินไว้บ้าง เพื่อเป็นส่วนประกอบมีหลักฐานอย่างนี้แล้วก็ไปดูจริงๆเป็นร่องรอยอย่างนี้จริงๆไม่ใช่พูดแบบไม่มีหลักฐานเป็นข้อเท็จจริงแน่นอนเด็กชายสวัสด์ก็อยากตามไปแต่ว่าห่วงน้องน้องสาวตัวรักเด็กอยู่้อ โดยไม่ต้องไปออเอาพระเจ้าไปตำเนินไปโดยลำพังพระองค์เดียวจนไปถึงอิสิปัตนา mm hmm. ตั้งแต่เบิดเดินเถึงมันเพนเดินแปดเนี่ยเวลาถึงเดินพอดีเ็าไปถึงเป็นยปีทีแรกก็ไม่ใช่อยู่ในอิสิปัตนะอยู่ห่างจัง อีสีประมาณเจ็ดกมลรังพักอยู่จะไปให้ถึงแต่มันยังไม่ถึงก็เลยหนีจากในต้นรับพระพุทธเจ้าโจนพระจากชวนปัญจคีทั้งห้านั้นไปไป มาแล้วสำนักมากมามาแล้วไม่ต้องต้อนรับพวกเราปล่อยกันหนีฉากไปกอุ้เจ้าก็ยังพยายามติดตามไปดูซิไม่ใช่เหมือนพวกเรานะการที่ใส่ใจสอนคนใดไม่ใช่เรื่องง่ายสมัไมนั่นน่ะไม่ใช่ตั้งสำนักแบบนี้มีน้ำใจเป็น มหากรงเล็ที่คุณจริงๆของพระพุทธเจ้านะ่ะยังใส่ใจที่ตามไปเขาหนีจากก็ยังตามไปอยู่ตามไปน่นปันอิสิปตนะไปเห็นปัญจวีร์นั่งรวมกันอยู่สนทนากันอยู่ในป่าแล้เดินเข้าไปหา อีกทีนี้ขั้งที่สองอนธัญญาเลยบอกเพื่อนว่าพวกเราไม่ต้องลุกละนั่งอยู่นี่แหละตามมาอีกแล้วไม่ต้องสนใจจะประสงน์นั่งก็ตามใจจะไม่ประสงน์นั่งก็หนีไปที่ไหนก็ได้หรือจี ผู้ที่จะฟังธรรมผู้ที่พระเจ้าไปเผยแพร่ไปสอนนั่นนะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเขาเจ้าก็ยังพ ย, ยนพยายามอยู่แต่คนลทันยายังมีนิสัยยังศรัทธาเพราะว่ามั่นใจในการทำนายพลัสนะตั้งแต่สมัยประสูตรใหม่ๆก็ยังมีน้ำใจเลยปูผ้าอาสนะให้ ไหวส่วนหนึ่งแต่จะประสงค์จะนั่งก็ให้นั่งไม่ประสงค์ก็นั่งก็ไม่เป็นไรปูอย่างนี้แหละก็อพระเจ้าไปถึงบัเจิชี้ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ลุกขึ้นยืนรับเหมือนพวกเรามานั่งอยู่ที่นี่เฉยบางคนก็นั่งกอดเข่าก้มหน้าลงไม่สนใจดูซิ ภาพไปเห็นภาพที่เขียนธรรมเทศนาเนี่ยมีไม่ไมไ ม, ไม่ค่อยมีผู้หันหน้ามาใส่มีโกนธัญญานั่งผินข้างนิดหน่อยเพียงเฉมเรืองดูแต่หันหน้าไปทางอื่นอ่าเป็นอย่างนั้นเจ้าก็ดูโกนปัญจวัคคี ใช่อย่างที่เราวังเมื่อกี้นี้นั่นแหละเทศนากันแรกเดิมก่อนปเป็นเฉพาคีเราเคยรู้เคยเห็นเมาก่อนมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเอวัเมสุดตตังเอกังสัมยังปะกวาปราชิเจปลานาชิเยพิก ข, ขเวนี่เราสวดวานาชิ คือพระนาราีอิสิปตนะมุขฐาเย่พิกเวีอิปอิสีปตนะมุขฐานเย่ก็แสดงไปอย่างที่เราได้ฟังธรรมจักรกวัตรโูตนั่ น, นจบลงด้วยควมามงดงาม ลักานอย่างนี้ธรรมเทศนากันนี้มีโกนทัญยออัญญสิวตโพโกนทันยอผู้มีอยายุกโกนทัญยอผู้มีอายาุเล่ยวหลลู่เล่วหน๋ลู่เร่วหนอโกนทันยาก็ตอบว่าลู่แล้วลู่แล้วส่วนมัพปพัทธิยะมหานามะอาจาิยยังขีด ดินเล่นอยู่โน่นไม่สนใจเลยกันหนาแนนโดยเจ้าก็เลยบอกตอนว่าเป็นสัมมาสัพพุโตแล้วสอนคนเดินลู่ตามแล้วตั้งแต่จะจะรู้ในสามเดือนยังไม่ได้เป็นสัมมาสัพพุโตเป็นเพียงพุทธเจ้า ตัดจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเท่านั้นยังไม่สอนคนเดนือ้รู้ตามเป็นเป็นสักขีพยานว่าการตัดจรลูมีประโยชน์อะไรว่ามาสอนปัญญาวิธีเนี่ยจะรู้เนี่ยสามเดือนมามีคนรู้ตามเนี่ยเป็นพระสงฆ์องค์แรกเลยได้นามว่าอัญญาสิแต่ก่อนชื่อว่าโกนัญญาเฉย โดยเจ้าตั้งให้อีกต่ออัญยาเป็นผู้ลูกคนอัญยาสิคนโบราณเราสมัยก่อนเรียกว่าอัญยาเรียกพระในอัญยาไม่ใช่เรียกหลวงพี่หลวงพ่อพระครูเจ้าคุนเรียกอัญยาอัญยาเดี๋ยวนี้ทางเมืองลาวเมืองเลยแถวชอนเหนือของประเทศยังมียังเรียกอยู่ติดแม่น้ําของ อยาเรียกว่าสงวิชญอันยาอันยามาจากโน้นทเจ้าตั้งชื่อไอ้ค น, น, นอัญญาเนี่อันญาสมบูรณแบบดังที่เราได้แส ด, แดงดังที่เราได้ฟังต่อมาจากกิ้งไปแล้วเป็นอย่างไรเราก็ได้ทําอยู่นี้กับมือของเราที่สัมผัสกับกายกับใจของเราเห็นอะไร เห็นทุกข์เห็นหลงเห็นโกรเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ทุนทุกข์แล้วแลย่อตัณฑ์ปานิคเวจะคุ้หรือจะจันติเม่เเวได้ทำแล้วเหตุที่เกิดทุกข์ได้เห็นแล้วได้ทำแล้ววิธีออกไปจากทุกข์ได้ทำไปแล้วโทษไปแล้ว จึงไปมีปริวัติสามในอริชชีเนี่ยเห็นทุกไม่เป็นทุกข้นจากทุกปริวัติเห็นสมุทัยมีปริวัติสามเห็นนิโรธมีเห็นมรรคมีปริวัติสามได้ทำแล้วได้ออกไปแล้ววิธีออกไปปฏิวัทาออกไป ทัศนาได้เห็นแล้วปฏิปทาออกไปวิมุตตาพ้นไปมีปรวัติสามอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแล้อยังเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นหลงยังเป็นหลงไม่ใช่เห็นโกรธยังเป็นโกรธไม่ใช่เห็นอะไรที่มันเกิดกับกายใจไม่ใช่ถ้าไม่มีปฏิปทาถ้าเห็นแล้วเราก็มีปฏิปทากลับมาลู้กลับมาฐานที่เราตั้งไว้นี่ บอกกลับมาว่าวันเห็นมันหลงกลับมาลูมันมีปฏิปทาปฏิปทาคืออย่างนี้ไม่ได้หนีไปไหนเปลียงเปลี่ยนหลงเป็น ล, นลูไม่เป็นผู้หลงเห็นมันหลงมันก็พ้นไปพ้นไปมันหลงไม่เป็นผู้หลงเพราะจากคมหลงหรือว่าตัชานุตตาเลียปฏิปทานุตตาเลียปิมุตตานุตตาเลียพ้นไว้พ้นไป เห็นอะไรที่มันก็พ่นไปพ่นไปพ่นไปอย่างเนี้ยมันก็ทำํำลายทุกคนปฏิบัติได้ทุกคดีทุกคนทุกชีวิตอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเราก็ได้หลักฐานใช่ไหมเห็นลูกเห็นนามอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นอาการ <c oughs> มีหลายอย่างที่เกิดกับกายกับใจนี่เกิดกับลูกกับนาเนี่ย เปนจิเลตปัญหาตาล้อยแปดเกิดที่นี่ปัญหาเกิดที่นี่แก้ปัญหาก็แก้ที่นี่กันเราจึงสนุกกันเปี่ยนหลงไป็รู้มันสนุกที่สุดเลยเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกมันยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่ระเบิมีงานของเราเป็นชิ้นเป็นอันงานแบบนี้เรือเป่างานของบอดีอ้เจ้า ไม่ใช่งานแบบยินดีในรูปในล่นในขีดในเสียงงานนั้นเป็นงานปุตุชนฮีนะตาต่ำสามไม่ใช่สาํานะไม่ควรเจ็บไม่ควรชิดฮีหน่กัมโบปุตชนโนเสชจูฮีโนเป็นธรรมอันต่ำสามกัมโบเป็นกรรมอันเร็วปุตุชนโนเป็นของปุตุชนได้เห็นหลงไม่เปลี่ยนหลงหลงเป็นหลงเป็นของปุตุชน ต้อหลงเป็นหลงเป็นปุรุชนต้อหลงเป็นลูเป็นเป็นเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเออเรียชนเออเรีย ก, นย ก, กันระยานชนนี่เราก็ทำงานแบบนี้กันมันผ่านไปผ่านไปแบบนี้นจนพระพุทธเจ้าว่าวรลิวัตสามกาติสองเราได้ชื่อว่าตัดทะลุชอบแล้ว เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วไม่กําเริบอีกแล้วเพราะเราได้ทําไปแล้วเดี๋ยวพ้นแล้วมันก็ไม่กําเริบอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเราเล้วอย่างไปมันก็แล้วอย่างนี้มันจบอย่างนี้เราเสือในทำใมันจบเป็นอย่างนี้เราจึงทํามันเป็นสาอละไม่ใช่ามางวงมสาว รูปรูปคําเป็นชิ้นเป็นอนนี่กายมีใจที่เป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเหมือนธรรมเป็นนามมันธรรมเมื่อเหมือนทําชั่วเปลี่ยนให้มันทําดีเห็นรูปมันนามเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นรูปเหมืนนามเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นมีมีให้เราเห็นอยู่ไม่ใช่ก้อนอิดก้อนหิน จากนั่เห็นกายเห็นเวทนามันสุขมันทุกข์กกเห็นจิตใจที่บันทิดเป็นความหลงเพระความคิดความสุขเพรความคิดความทุกข์เพ ร, ร ะ, ะ, ระความคิดมีจริงจริงันจะทุกข์รู้จะหลงกพรความคิดนี่ธรรมมีอาการที่เกิดขึ้นควง ม, ม้วงเหงาหองห ควมชิดตรงจันทเลสงสายกมามละค่าปฏิฆะมานาทิฏฐิตัวมีอะไรเป็นตัวเป็นตนกูได้กูเฉียกูยากกูง่ายกูผิดกูถูกอยู่ที่นั่นไม่ใช่เห็นนอกจากนั้นก็เป็นความสงบก็ไปติด ก, ก็ไม่ได้เป็นธรรมในความรู้ก็ติดไม่ได้ ในความสงของผู้ติมันได้ให้เห็นไม่เป็นอะไรให้เห็นไปยิ่งจะมีทัชฌานุตริยะนี่ปฏิปทาณุตัลยะมีวิมุตตานุตัลยาติดจุกติดทุกติดรูติดหลงติ ด, ตดอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นไปที่ธรรมะเทเวก่อนมีสติไปก่อนเป็นทางอยู่ที่นี่กับมโดยกรรมาฐานจักสิท นี่เราก็ทำอย่างนี้กันไม่ต้องไปเชื่อใครเรามาเป็นเพื่อนกันเฉยๆไม่มีสถานที่แบบนี้คนผ่าพื้นก็ผ่าพื้นคนต่มเข้าก็ต่ำเข้าคนปรุงอาหารก็ปรุงอาหารคนหาหน้าหาไปให้ใช้ก็หาหน้าหาไปให้ใช้คนหาที่หลับที่นอนก็หาให้คนทำ ที่อยอัยก็ทำให้ลองรับทุกอย่างที่ให้นอนก็มีที่ให้ถ่ายก็มีที่ให้กินก็มีอา้านี่เรามาเป็นหน้าที่ของเราช่วยกันอย่าทาให้การเดือดร้อนไคิช่วยกันอย่างนี้เรียกว่ามันจะไม่สาเร็จเลยเนะี่ยอย่าทาให้การเดือดร้อน ไม่ช่วยกันต่างคนต่างคิดจะช่วยกันนะคิดจะช่วยคนอื่นที่จะทำมันเด่นเลยคิดใหใหญ่กินข้าวบาดคิดใหใหญ่ไอ้คิดอนะ่าแคบแคบน่ะรักแต่ลูกแต่เมียอาชิดไม่เป็นนะก็ไม่ลูก<น>ก็คิดแบบคนม่ลูกคนม่ผัวมีเมียก็คิดแบบคนมีผัวมีเมีย คนจนก็คิดแบบคนจนคนรวยก็คิดแบบคนรวยคนไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไม่คิดแบบบังหลดองไม่มีอะไรสิงานล่อเรื่องพันอย่างทิ้งไว้ก่อนงานทำกรรมฐานนี่ก่อนสีวิตนี่ไม่ตายแน่นอนแล้ว น, นี่อาจารย์เติมกาลังจ่ารถจะหนึ่งไปจอดไปโน่น ในเข้มตางขึ้นกติสิบสามอยากขอแลกเอาเต้นเอาเต้นที่อยู่ที่นั่นนะที่แรกเต้นที่อยู่ น, นั่นไม่ให้ย้ายนะบอกตั้งแต่ปีก่อนปีก่อนเนี่ยให้เป็นเต้นที่อยู่ประจําแต่คนย่ายมาอยู่ชะลาไก่เนะี่ยมาอยู่นี่ในปีกว่าแล้วยจำไปเกลับคืนไป <laughs> เอาเต้นไปไว้ที่โ น, น้น ้าปะไรก็ดีใครปะผ้าเต้นกันก็ปะช่วยกันได้ไหมเอารล้วจ้องใส่ได้ในร่อนฝ น, นให้เหลมงอเย็บไปกลางเต้นไปนอนเอารถคันหนึ่งไปจอดไปนูน้นการตุ้มว่างนะให้บริการถ้ามีอะไรจะใช้รถให้ เอารถนั่นออกมาได้วันที่บ้านเรามก่วงขวางดวงตาก็ไม่สามารถเดินไปไหนได้ทุกวแนวเลยย้ายจากกติชะลาไก่มาอยู่ที่นี่เดินมาทำบ้านก็หนื่อยเดินก็ไปก็หนื่อยเดี๋ยวนี้ต้องเดินสองทอดเดินโดดหนึ่งไปพักที่โคกช้างอะไรนิดหน่อยเดิน เดินก้าวที่สองก็ไปถึงอาสนะหอฉันเดินฉันแล้วก็ในที่ราชันเดินไกลๆมาเข้าไปอายุกเก่เนี่ยฉันอิ่มแล้วแทนที่จะสบายไม่สบายเหนื่อยหมดเลยไม่เคยเหมืนนอมนหนุ่มเนาะทำงานเหนื่อยๆนอนไม่ค่อยหลับปวดนอนปวดนี่ ไม่เหมือนคนโหนคนโหเหนื่อยมานอนหลับจ้อยเงนไปอย่างนี้นี่ยก็มีคนมานิมนต์ไปกินอกีกตัวกันอีกสามชั่วโมงร้อนตาวอา่ะเหมันแก่ชีวิตไม่แน่นอนง่ายไปมันแก่ แล้วก็ยังโ้องโหม่ร้องไห้อยากให้ไปไอ <c oughs> อาจารย์ต้มอมาเจโน้ตด้วยจะยังไงดีอ่าแล้วก็เฉียจริงๆใช่ไหมไม่ใช่หนุ่มนะนะแล้วก็สุขภาพไม่ดีจริงๆหัวก็หนวกก็ไม่เหมาะที่จะไปอะไรที่เหมือนหนุ่มก็ไม่ได้ ต่อดูตัวเองก็ลอยไม่สมควรเอาย่างจะให้ปล่อยให้ไปขอข้างเดียวขอข้างเดียวตอนนี้ <c oughs> เลยทำไงดีก็เลยตกลงอถ้าไม่ถ้าอยู่อย่างนี้ก็ไปได้แต่วันข้างหน้าไม่รับผิดชอบนะให้อาจารย์ตุม้มอาจารย์โนดก้าหลวงพ่อไปไม่ได้อาจารย์โนต้องไปผู้เดียว ไม่ไปไม่ได้ยิงๆนาะตกลงนกว่าลอยเป็นอย่างนี้จะยังไม่ยอมให้เราแก่เราแก่เต็มที่เราอะไรก็ดีนะอันนั้นเนี่ยเราก็ยังน่าจะพูดแล้วเราไม่เก่งเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้ยแปดพระชนมายุแปดป เดินทางเป็นหลายร้อยกหมห้อทั้งเดีอดผ้าอยู่หลังจากฉันอาหารไหนจูนถ่ายเป็นเลือดเลยเดินทางต่อไปอีกจะไปถึงกุสีนาราไม่ใช่ไกลไปหมดแรงอยู่ที่สวนมันลกษัต บอกพอาโนอนปูสขาติให้นอนระหว่างต้นหลังทั้งคู่บอกอานนนว่าขอนอนครั้งสุดท้ายนั่นนะขนาดไหนพระจาเจ้าของเราขอถึงนอนครั้งสุดท้ายอานอนนจะไม่ลุกอีกแล้วเต็มที่แล้วไม่ใช่เหมือนเราลเรายังเดินไปไหนมาไหนได้ยังกลัวตาย ไปกินชค่นี่ก็กลักวต่อเออ ก, ก็ชิดเอาเอาเอาให้มันนอนข้างาาเต่เอ า, อนนเอาอย่างนพระเจ้าแต่เราไม่ปานนั้นอย่างยังงจากจะมีชีวิตจะจะสอนคนไปอยากจะบอกอยู่นะยังขยันอยู่ พูดความเท็จความจริงให้คนฟังนั้นมีชีวิตทีว่าไม่ใช่โกหกหมดเท็จนะเมื่อเหมือมนหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูลปลู่รูปมีอยู่เมื่อเหมือมนทุกข์ความไม่ทุกข์มีอยู่เมื่อเหมือมนเจ็บกวาไม่เจ็บมีอยู่เมื่อเหมือมนแก่ความไม่แก่ไม่อยู่เมื่อเหมือมนตายกวาไม่ตายมีอยู่อย่างนี้แน่นอน จะให้เจเป็นเจ่ะให้โควทุกเป็นทุกอยาให้สิ่งเหล่านี้เป็นทุกให้ทุกเป็นไม่ทุกให้เจ็บไม่เจ็บให้หลงเป็นไม่หลงให้โกรธเป็นไม่โกรธอย่าจนมีสติร้อยเปอร์เซ็นใช้สธิของตัวเองให้ได้นรามาทําอะไรที่ไหนก็ให้เป็นเรื่องนี้ เป็นงานอันขิ้นอันเดียวงานหลักของเราก็าใช่อย่างถ้าใช้คิตแบบนี้นะบรรลุธรรมได้งมันหลงรู้บรรลุทําแล้วนั้นโกดู้ัรรลุทําแล้วเห็นไหมโอ้ยละ่ะ ตำข้าวบรรลุธรรมผ่าเพลินมารลุธรรมไม่ได้นั่งกรรมาฐานก็มองมัวแต่ผ่าเพลินมัวแต่ตําข้าวให้เพื่อนกินมีสมาธิตําข้าวเคยตําข้าวไหมนะคเคยตําข้าวก็ไม่มีสมาธิก็เยียบหา ง, หาง อังกฤษเดงไม่ตรงต้องเหยียบตรงตรงก็เหยียบเรื่งนี้ก็แต่นี้ก็มันก็ไปชิดเข้าจากคุกหมดเลยสาสลงไปไหนหมดโคตเข้ากันต้องเหยียบท้งตรงไม่ใช่เวลังจะต่ำเข้าตอนที่ผ่าพื้นเอาให้แม่แม่นนะเคยผ่าพื้นไหมสับถูกที่เก่าไหะ นี่นะสับลงไปเนี่ยต้องเป็นสับที่ใหม่มไม่แตกนะต้งสับถูกที่ก่าเว้ยหลังไม่ใส่ใจสับถูกที่ก่อฝ่าฟื้นจับจับบางคนสับไม่ถูกนะําเมื่อหลังทําเข้าใส่ใจฝาพื้นใส่ใจลงไปมันรู้ทำอะไร จนเด้เห็นอะไรที่เกิดขึ้นลไม่ได้ยากไม่ได้งา่ายไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทำบากแต่นกสนานทำเข้าเงื่อนไหลคลายยอยอดูไปนกไปฝนที่สุดได้บรรลุธรมรมกนหมูในสำนักตั้งสำนักพระสังฆราชองค์ที่ห้าจนมาเขียนโลก ลูกศิษย์พู้ใกล้ๆอาจารย์ญญสังฆราชนั่งอยู่อุปถาคตลอดเวลารู้หมดอาจารย์สอนอะไรรู้หมดเข้าใจหมดเขา อ, อยู่ใกล้คิดมอมาเขียนโลกแล้วสู้ไว้หลางมาได้ชีวิตจิตจิตใจเหมือนกระจกเงา อย่าให้ฝุ่นทุดีมาเก่อได้หมั่นเช็ดปัน่นถูอยู่เสมอเขียนสโลว์เวลางตำเข้ายอนไม่มีโอกาสมาได้ยินเต่ประกาศเขาเล่ากันขเขียนสโลวเขาเขียนอะไรเลยชวนคนที่พอรู้จักกันตำเข้าเสร็จป่าฟืนเสร็จอาบน้ำเสร็จก็ขอมาดูปฏิอาจารย์ มาดูเขาเขียนป้าว่าชีวิตเหมือนกระจกเ ง, งอย่ห้ฝุนทุดีมากอดได้มันเช็ดมันถูเสมอเหมือนเราปฏิบัติเลยวิ่หลงมาให้ลูกวิ่ลงมาให้ลูกวิ่โกรธมาให้ลูกมเช็ดไปเช็ดไปโอ้มก็ถูกแล้วเอาไวา้หล่งให้เขาอ่านให้ฟังาชีวิตเหมือนกระจกเงา อยาให้ฝุ่นทุีมาเก่ะได้เช็ดถูอยู่เสมอเว้ยหลางเขียนไม่เป็นก็ให้เพื่อนเขียนให้วะเขียนต่ำลงมาเมื่อไม่มีกระจกฝุ่นจะ ม, มาเก่ะที่ใดเขียนต่า <c oughs> อะไรมันลึกซึ้งกักนมังไงก็หนึ่งมันมีกระจกอ่ะฝุ่นมาเกาะต้องเช็ด คนไม่ไมลาเขียนว่าเขียนให้ด้ว ย, วยไม่มีกระจ ก, ก, จกคุณจะเกาะที่ใดคนไปด้วยกันก็เขียนให้จังรราตองที่ห้ามาอ่านวันที่เจ็ดใครจะบรรลุธรรมในสำนักนี่แล้วก็อ่านสโลกที่หนึง่งชีวิตเหมือนกระจกเงาเสด็จูอยุสวรรค์ให้ฝนทุกดีมากา่ะได้ โศกที่สองไม่เมื่อไม่มีกระจกคุณจะมาโกหที่ใดเลยสอบถามดูใครเขียนโลกเนี่ยเว้ยหลางจักรลาดไม่รู้เลยเว้ยหลามเป็นใครตำข้าวผาพื้นนั่นหกทุ่มให้มาหาด้วยนะให้คนต่ำข้าวมาหาเราด้วย นํามาเงื่อยไหลขาย่อยตำข้าวมอบบาทมอบสังขาติให้รับเป็นจังฆราชองค์ที่หกต่อไปเนี่ยไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกะไระเป็นอมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงมันโกรธเหตุมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธบ่นทุกข์เหตนบ่นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์กูได้ยินไหมเว้ยหลังก็พูดอย่างเนี้ะ มันมีขั้นสุดท้ายหลงขั้นสุดท้ายโกรธขั้นสุดท้ายทุกข์ขั้นสุดท้ายยึดเราเน่ยไม่ใช่่าหลงจนตายนะอ๋อสมขวรเจรหลากกับพระพร้อมกัน